ทยายาทมาพูดออกจากปากของเราคิดใส่ใจตามเกิดความเห็นด้วยว่าสำ ม, มาทิฏฐิเห็นตามเมื่อมีตรงไหนแย่งได้สิ่งที่เราสาธยายไปแล้วก็มาฟังธรรมความเห็นมารับรู้รับเห็นด้วยกันอย่ามอ่ให้แต่มีอยู่ในตำลับตลาเป็นคําสอนของพระเจ้า ไม่ใช่เรามีแนวร่วมที่จะรู้เห็นรับผิดชอบกับสิ่งที่เราได้สาธยายไปแล้วก็มาเห็นจริงๆอย่างแจงกับตัวเราด้วยเห็นต่อหน้าต่อตาเราอยู่ไม่ใช่เป็นอดีตที่ยาวนานมาถึงสองพันกว่าวีมันเป็นเดี๋ยวนี้กับชีวิตเราเดี๋ยวนี้เรามาเจริญสติมีสติ คือควงรู้สึกความลึกได้สติเดี๋ยวนี้อยู่กับเราเดี๋ยวนี้ก็คืออยู่กับพระพุทธเจ้าอัานเดียวกันอยู่ใกล้กันดิศเดียวผู้ดได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าคือผู้นั้นเห็นธรร ม, ดดรรรมต้องมีอย่างนี้ไอ้ใ่จะไปกราบไปไหว้พระพุทธเจ้าสมัยโน้น หรือทุกวันนี้ก็ไปกลับไปไหว้อะไรต่างๆสังเวชนิสถานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มาไหว้องนั่นเป็นพระอาะามาใ ห, หว้องนี่เป็นสุปฏิปโนไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องของเราทุกชีวิตทีต่เราสวดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมคือผู้นัานเห็นปฏิจจสุ ป, ปบาท อดีจะจบบาตคือนน่งเนิ่กันที่มันเกิดอยูใ่ในเราเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีนี่คือของจริงคือธรรมมันอยู่ที่กายที่ใจของเราเมื่อเรามีสติมาดูมันก็ฉายให้เราอยู่มารับรู้ ก, การแสดงของเราให้มันเห็นชัดเจน กายนี่ก็เราก็เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายกายของเรานี่กับกายพระพุทธเจ้าก็คืออันเดียวกันจะเป็นใครที่ไหนอยู่โลกไในไหนก็คือกายโลกคือมูลสัตว์ธรรมชาเจ้เท่ายั่งเข้ามายั่งยืนเหมือนกันทุกชีวิตเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าโอบกายมาเป็นสิ่งละกุมชั่วมาเป็นสิ่งทํากรร ม, รมดีมาเป็นสิ่งมารูธรรม แต่มนุษย์สัสตวสัตว์ตั้งหลายเอากายมาเป็นสุขเป็นทุกข์มาทำชั่วมาทำต้าให้เกิดปัญหาเจ่ะ ต, ตัวอเองและคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นมันก็จะต่างกันนะจึงมาเห็นว่ากายสว่ากายเห็นค้อยตามพระพุทธเจ้าดูว่าช้จัดบุคคลตัวตนเราเขามันเป็นกายซื่อๆมันรอดกับมันรอนซื่อๆของเขามันปวดก็มันปวดซื่อๆ มันมีอะไรสแสดงออกทางกายมากมายมันเป็นของซื่อๆของธรรมชาติกาการของเขาแต่เราไปสวยออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นชอบเป็นไม่ชอบเป็นตัวเป็นตนขัดแย้งตัวเองขัดแย้งคนอื่นเราขัดแย้งตัวเราเอาตัวเรามาเป็นสุขเป็นทุกข์มันไม่ใช่แบบพระพุทธเจ้มามันก็ไปคนละทางเราจึงมาเห็นเราลูบผ่านตาเราอยู่สมอตาคือความรู้สึกเนี่ย มันเป็นหน้าโลกมันเหมือนตาเนื้อตาเนื้อมันไปทางเดียวเหมือนแสงไฟฉายแต่ตาภายในคือสติเนี่ยมันเป็นหน้าโลกมาทางไหนก็รู้ไปทางไม่มีรูปก็รู้จังเวชนาเนี่ย ม, ม, ม, มันเป็นสุขเป็นทุกข์ที่ไม่มีรูปมันเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะไปหลงผิดเป็นตัวเป็นตนกับเวทนาคว่าสุขว่าทุกข์คือเรา มันไม่ใช่ลูกแม้แต่ความคิดเฉยๆก็ามาเป็นสุขเป็นทุกข์ร้อยชีวิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์พวกความคิดเป็นบัญญัติเป็นสมมุติขึ้นมาในความสุขความทุกข์ก็มีอะไรที่เป็นควรงานหลายอย่างความชอบอุปทานค่วงหลงนิสัยอุปาณิสัยจริตต่างๆเข้าไปร่วมกลายเป็นพบเป็นชาติไปมันยากขนาดนั้นก็ยังพากันเดินไปกับ ลักษณะเช่นด้านในชีวิตเราลุกหลงหลังถ้ามันรู้ชื่อๆจากว่ากีนไม่เชี่ยวจัดบุคคลตัวตนเราเขามันก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรหลวงพ่อเทียนเปรียบเทียบมันกับติงกัดเหล่าเรามือไปดึงออกมันไม่ออกดึงปากหนึ่งมันดิดติดอีกปากหนึ่งดึงปากหนึ่งมันก็ติดอิกปากหนึ่งแต่ไวก่อนเนี่ยคําว่าปลีกเนี่ยอยู่ในานา้ํา ถ้าใครลองน้ำก็เจอเห็นทีํำนาก็มีปล่งปลิงกัดเวล า, ลำาดำนาลอยน้ำแต่ทุกวันนี้ไม่มีเปล่งเพราะํา ม, มกโซนเพราะหูยเคมีสารพิษต่างๆหมดไปอีกสัหน่อยคื้เราก็หมดไปเพราะคนเราให้มันยุ่งยุ่งยากๆหลายอย่างถูกหลอกหลอยหลายอย่างทางตาก็หลอกทางหูก็หลอก เอาสารข้อมูลต่างๆสิ่งแวดล้อมที่มันให้ข้อมูลเราผิดผิดไปแต่ว่าข้อมูลที่จริงๆน่ะคือรูปซื่อๆเข้าไปเราเจริญสติคือความรูปซื่อๆเข้าไปนะอาวุธยนอะไรบอกว่าเอายาสูบใส่นาบมันกัดบีบลงไปใส่ปากปิงไม่ต้องไปดึงมันมันก็หลุดออกไปเลยอันตัวรูปซื่อๆเนี่ยเหมือนกับเอาออก อะไรที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ออกจากกายจากใจเราเราไม่ต้องทำอะไรไม่เหมือนกับการดึงตีก่ อ, อกจากกายไม่เหมือนไปสู้กับทุกข์ว่าอยากได้สุขมันยากยังจะเห็นซื่อๆเข้าไปมันก็มียาดีแหละยาหมอใหญ่อยู่ในเราเองเราไม่คอยใช่กันไปใช่อุปทานบางไปความเห็นบางไปเป็นนิสัยบางจะหลุดนิดสัยต่างๆ สิ่งนี้เราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งนี้ไม่ถูกใจเราสิ่งนี้ถูกใจเราเอาใจมาเป็นที่ถูกให้ความชอบใจไม่ใช่ความชอบทำแต่อีกชีวิตก็มีนิจใจต่างกันนะชอบไม่ชอบต่างกันความชอบของเราอาจเป็นความไม่ชอบคนอื่นความชอบของคนอื่นอาจจะไม่ชอบของเราความสุขของเราเป็นความทุกข์คนอื่นความทุกข์คนอื่นเป็นความสุขของเรามีอยู่ มากในโลกเนี่ยได้เจอมารับรู้รับเห็นแต่ให้ตัวเหล่านี้มันได้คําตอบไอเอากายเอาใจมาเป็นเครื่องหลุดทนอยเอากายเอาใจมาเป็นเครื่องอุปทาน ย, ยึดยึดจนใจขาดร้องไห้เสียใจเขาบอกผู้เจ้าบอกเราว่ามันก็เป็นฉันนั้นความชราเฉ่เท่านําเข้ามายั่งยืนไม่มีใครป้องกันได้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนมันก็ไหลไปของมัน นั่งอยู่นี่มันไหลไปไหลไปไม่ยังง่งยนืนไม่อยู่คงที่เรี่ว่ากายหรือว่าใจรักหรือว่าวัฏตะมีเยอะแยะเลยที่เป็นคำสอนที่เป็นการแสดงในตัวเรามีมากเกินเรามามีสติอันเดียวเห็นหมดทุกอย่างเห็นอะไรที่มันแสดงออกลูกแล้วลู้ซื่อ อย่าไปทําให้มันไม่ถูกต้องการเจริญสติเนี่ยของง่ายมันเป็นของยากมันของเบาเป็นของหนักเช่นไปสู้กับความคิดว่าอยากให้มันคิดแล้วก็ยังคิดอยู่ทำมันยังคิดมันก็ยากไปไปไปชื่อสื่อแล้วมันไปบัญญัติสมมุติเป็นโชคเป็นทุกข์เป็นชอบไม่ชอบเปี้วแชะไปเลยเป็นตัวเป็นตนเป็นพบเป็นชาติเขาแสดงออกอันใดก็มีร่วมไปกับเขามีค่าไปกับเขา ไม่ใช่เวลานี้ที่มันจะแสดงต่อหน้าต่อตามันก็แสดงมาแล้วเป็นสี่สิบห้าสี่ปีก็มีมันอะไรมันติดมันเพื่อนมาในกายในใจเรามันก็แสดงออกไม่ใช่เป็นเฉพาะหน้ามันมีมาแล้วจึงมาลูมาา่มันจะถ้าลู่นี้มันก็ชิ้นเวรชิ้นกรรมไปเปลี่ยนจริตนิสัยได้หรือว่าขอนิสัยได้นิสัยจากพระพุทธเจ้าได้นิสัยจากตัวลู่ชื่อ ว่าที่ลู่ซื่อๆตัวเนี้ยมาช่วยกันลู่เห็นดันนีมาช่วยกั น, ก น, น, น, ยกนอย่าให้เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งจะไปว่าให้พระพุทธเจ้าว่าพายหลวงพ่อหลว ง, งตา อ, อาจารย์พระสงฆ์เจ้าที่อื่นเลยเป็นเรื่องของเราแทา้ๆสิ่งที่เราสาธยายสิ่งเราสวดอันคําสอนเนี้ยมันเป็นเรื่องของเราแม้แต่การตัดจารุ นี่จากใกล้ถ้ามาถึงแล้ววันวิสาขบูชาไม่ก็เป็นเรื่องของเราไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าการตัจะรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของเราแท้ๆไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนรวมทุกคนทุกชีวิตแล้วก็ไปต่อไปเข้าในผ่านในร่วมหาวิเลยที่ใดมาอยู่กับตัวเราเน่ยมารู้มาศึกษาพวกเราที่นี่จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรได้จริงๆอ่ะ มาลู่ซื่อๆเนี่ยไม่ให้ค่าอะไรมันจะมีค่าอะไรในชีวิตเรานะความรักก็มีค่าความชังก็มีค่าความสุขก็มีค่าความทุกข์มีค่าความผิดก็มีค่าความถูกมีค่าความหลงมีค่าความไม่หลงก็มีค่ามันก็เลยแสดงเวทีของขายของใจเรามันไปยึดเอาไปแสดงไดค่าต่างๆ แสดงในความหลงแสดงในความรู้แสดงในความสุขแสดงในความทุกข์ให้ขอว่าแสดงหัวเราะร้องไห้มีใจเสียใจของรักกลายเป็นของชังก็ได้ของชังกลายเป็นของรักก็ได้ความชอบกลายเป็นความไม่ชอบความไม่ชอบกลายเป็นความชอบความพอใจความเสียใจความไม่พอใจมันก็เป็นอุปทานเป็นพวเป็วกุณฑะหยิงมาลูซื่อๆโดยมีสติเอาฐานไว้ ตั้งฐานไหมตั้งฐานคือภาะวะรู้เอากายมาจุ่มมาต่อกับความรู้อันนี้ไม่ใช่คิดเหตุผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมเอามาต่อจริงๆให้มันเคยขินกับความรู้ซื่อๆเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ซื่อๆมันมีค่าอะไรทุกอย่างเอ้าผิดแล้วเออนี่ถูกแล้วมันน่าจะผิดมันน่าจะถูกมันน่าจะรู้มันทำไมยังหลงทำไมยังหลงไม่ใช่แบบนั้นการจเจริญสติ ความหลงก็ซื่อๆความรู้ซื่อๆนี่ไปมันจะง่ายๆไปอย่างนี้การปฏิบัติธรรมถ้ามีใครแสดงให้เราดอกนอกจากเราเอการมรรลุธรรมก็เป็นบรรลุธรรมเรื่องนี้ไม่ใช่ใครให้เรามรรลุธรรมคือพ้นไปจากเพราะว่าที่มันเคยเป็นเลยมีมันไม่มีค่าสำหรับความทุกข์ก็ไม่มีค่าความสุขไม่มีค่ามันพ่นไปจากความสุขความทุกข์มันก็ไม่มีค่าเลยแต่ก่อนนี้มันมีค่า มันหอบพวเราไปหาความสุขวันหอบพี่เราไปหนีทุกขหาความสุขความทุกข์ตามไปหาความทุกข์ความสุขก็มีบางทีเป็นทุกข์ใจหาทางออกโหลดตามตายจินยาตายมันไม่ใช่ในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ในความเก็บก็มีความไม่เจ็บในความแต่ก็มีความไม่แต่ในความตายก็มีความไม่ตายไม่ต้องไปหนีมันอย่างนี้มันยากไป จะต้องให้ใครมาช่วยเราเรื่องที่เราไปคนเดียวไม่มีบุคคลที่สองวั น, นก็เราจบคนแจกญาติพี่น้องลูกหลานร้องมอมร้องให้เสียใจเป็นทุกข์พัดภาคจากของลักของเชอบใจเป็นทุกข์ปาถงอจินใดไม่ได้สิ่นั่นเป็นทุกข์ความไม่สบายกายก็มไม่สบายใจเป็นทุกข์มาเอามาเป็นทุกข์เราร้องให้เราเสียใจมันได้ไร ความรักก็เป็นทุกข์ความจังก็เป็นทุกข์เราเป็นทุกข์คนดีเราเป็นทุกข์คนชั่วอย่างเมื่อไม่นานมานี้มีสุภาพสตรีสองคนมาหาหลวงตาที่นี่คนหนึ่งก็เป็นทุกข์เพราะสามีตายไปอุบัติเหตุทางโรถชนก็ร้องไห้เศร้าหมองก็มีเพื่อนพามาแล้วก็ว่าไม่ทุกข์ไม่ได้ สามีของหนูเป็นคนดีมีแต่ความดีของเขาอยู่ในหัวใจของหนูวางไม่ได้หรอกเพราะสามีของหนูเป็นคนดีบ้างรักลูกรักเมียประกอบการนาชีพพรัรชการเป็นหมอเธอเป็นพยาบาลแล้วก็พูดได้ฟังพอเข้าใจพอวีความเห็นได้หน้าตาก็ไม่เศร้าหมองยิมได้เป็นบางโอกาส ไม่อีกกี่วันก็พาเพื่อนมาอีกหาหลวงตาสภาพสติคนนั้นเพื่อนที่มาก็สามีทิ้งไปมีหญิงอื่นก็ทุกมาสามีเป็นคนดีก็ทุกสามีเป็นคนไม่ดีก็ทุกเหมือนกันตัวทุกข์เกินเดียวกันแล้วแต่ใครจะสมมุติออกทำไมจึงหนีไปก็จะลงเลี้ยวรงแรงตั้งหลักตั้งฐานตั้งบริจัทมาร่วมกัน แล้วทิ้งไปมีหญิงอื่นแล้วก็มาเป็นทุกข์คิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะสามีหนีไปมีคนอืน่นก็ทุกข์เหมือนกันมันก็เป็นทุกข์อ้าวสามีคนดีก็ทุกข์นะเธอคนเนี้ยสามีเป็นคนดีก็ทุกข์เธอนี่สามีคนน้อยดีก็ทุกข์คือแท้คือทุกข์มันไม่ใช่ล้วก็มารู้สิเออนี่เป็นช่นี้เองเอา ชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับสิ่งอื่นถ้าสิ่งอื่นที่มันทำให้เราได้เป็นของเราเอาอันอื่นมายึดทองมันก็เป็นทุกข์แล้วอย่าเอาชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับสิ่งอื่นบางทีเอาไปแขวนไว้กับอันใดที่มันผุพังอันใดที่มันฉักง่ายๆบางอย่างที่เอาไปแขวนไว้มันไม่ใช่เรามันคนอื่นอันอื่นไปมันก็พลาดได้แล้วก็หอกเก็บปวด ชีวิตเราต้องเป็นตัวของเราเองไม่ใช่ไปห้อยไปเขียนไว้ในโลกนี้ชีวิตของคนเนะ่ยเป็นทุกขเพราะเรื่องนี้กันเยอะเพราะเอาไปห้อยไปเขีนไว้แต่ความผิดความผ้าของตัวเองก็มีมากมายแล้วไปอาเสียคนอื่นให้เหมือนเราไปเกนเขาให้เหมือนเรามันก็เป็นไปไม่ได้ก็เป็นทุกข์เพราะพอที่จะเข้าใจปะกันยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปถึงตรงด้า น, นแล้ว มันแั้ก็ไม่มีทางออกมันก็จนซะเราจึงหาทางในพบตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่ารอให้ถึงวันนั้นวันเกิดเจตเจตตาเจงเจ้าไปแช่ไขมันแช่ไม่ได้มันก็มืดแต่ด้านมาเหยียบทางไว้มาเดินเอาไว้ให้มันลอยบ้างลอยสู่ความหลุดพ้นคือความรู้ซื่อเอาไว้เห็นอะไรก็เอาซื่ อ, อเนี่ยไว้ ให้เว็นลอยสักหน่อยเดินมันไม่มีลอยเลยเหมือนก็ถ้าเงเดินยงกงไม่แต่ใบตองไม่แต่ขยะเมอเราเดินไปเดินมาก็กลายเป็นลอยได้ขยะในหัวใจเราสิ่งลุงพลังเพราะหลงพลังในหัวใจเราในกายเราติดเหล้าติดบุรีมันก็เห็นแต่ลอยอันนี้ไม่มีลอยเลยนั่นสงสร้างแจ้งวะมันก็บุหรี่เอาอฉายมาเป็นลอยแห่งบุหรี่ เล่าก็ชายออกมาวางทีไปสอนคนเลิกสุบูรีมันก็ใช่ไม่ได้แล้วชีวิตหลงตาเนี่ยนั่งสร้างจเหวะไปสอนเขาเป็นเพื่อนกัน น, ะนั่งสร้างเจะวะก็นั่งอยู่จ้างจเหวะไปสร้างจเหวะหมามือคั่วไปคั่วมือเป่าก็าาเดียวหันหน้าไปทางมือที่มันคั่วไปก็เลยว่ารู้สึกไหมที่มือมันออกไปอย่างนั้น ไม่รู้มันทําะไรยังไงนั่นืึอว่าจะไปคว้าเอาหองบุหรี่มาสูบว่ามันหิวก็วแสดงไปต่างกายมือคั่วไปหาบุหรี่มันเคยติดนิสัยมาเมื่อหิวก็เอาอบุหรี่มาสูบไม่มีก็หาทํางานอยู่ก็ต้องหนีจากงานไปหาบางทีไปจูก้กู้เงินมายังได้ยินเคยได้ยินเลยขึ้นรถไปอะยืมเงินเพื่อนอ่ะยืมเงินสักสิบบาทนะเดี๋ยวไปถึงบ้านก็ได้ พอได้เงินมาจีบบาทไปซื้อบูดีเลยบาทออกบาทที่จ่ายครั้งแรกซื่อบูดีเลยเนี่มันไปเหรอนะมันก็ลอยมันไปลอยแห่งความรักลอยแห่งความจังลอยแห่งความชอบลอยแห่งความไม่ชอบมันใช่เราเรารับใช่มันมันก็เลยติดไปเราจึงขับมนาะเวลามันคิดไปหลงไว้กลับมารู้มันทันทีเอาว่เขาก็เลิกได้ เราใช่ไม่เป็นแต่ก่อนว่ามันตัวรูตัวหลงมาอยู่ตรงไหนกันตัวที่มันหลงมันก็มีตัวรูอยู่แล้วก็ยังใช่มันใช่ตัวรูทุกโอกาสเลยทุกกรณีนี่เป็นเป็นของใช้ได้นะที่เราทำอะไรมันเป็นอัจฉริยะธรรมเป็นสิ่งที่ทําได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่เป็นของทําไม่ได้เลยพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไปดีแล้วดีมันก็ดีทําชัวช่วมันก็ชั่ว เรหลงก็ได้หลงเราลูกระได้ลูสารทิจิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติได้ด้วยตนเองอาคาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาให้ผลได้ไม่จํากัดการเลยตอนเช้าตอนเย็นตอนไดนก็ได้ถ้ามันหลงก็ลูดทันทีมันทุกข์ก็รูดทีมันสุขก็ลูดทีลูดซื่อๆเข้าไปเอฮิปฏิโกเอ้าชวนมาดูมาดูมาดูเรื่องนี้ลองดู มาดูมาดูโอ้วันนั้นี่โกน้อมเราเข้าไปไปเป็นผู้รู้เป็นเห็ น, เ ห, นเห็นมันหลงที่ใดก็รู้ที่นั้นนะ่ะน้อมไปอย่าไปทำอื่นอย่าเอาเหตุเอาผลวันนีมันออกไปเอาเหตุเอาผลเอาตัวเองไปเป็นที่วัดเราชอบเราไม่ชอบยกมือจ้างใจวะเราไม่ชอบนั่งนิ่งๆ น, น, นี้เราชอบเราชอบแบบนี้นิสัยเราชอบนีอ่อ้าวนิสัยอะไรนิสัยอุปทานเอามาลู้เชื่อๆเนี่ย เคลื่อนไหวก็รู้ได้ไม่เคลื่อนไหวก็รู้ได้นะนั่งอยู่เฉยก็รู้ได้ไม่ใช่ชอบไม่ชอบตามรูปแบบเอาความรู้ชื่อๆเข้าไปทุกรูปแบบเลยนี่คือนอมมาปัจจตังเวเป็นสิ่งที่ได้ด้วยตนเองเฉพาะตนเดี๋ยวนี้ปัจจตังคือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ใช่ชั่วโมงหนะ้าไม่ใช่วินาทีนะั้นเป็นวิาทีนี้ทันทียกเมื่อขึ้นก็รู้ทันที อะไรที่มันเคลื่อนไว้จากกายจากใจรู้ทันดีปัดจัดตังเห็นต่อหน้าต่อตารู้ต่อหน้าต่อตาให้ความชื่อชื่อมันต่อหน้าต่อตาไม่ค่ามันเลยมันจะเจงนั่นก็ว่าเอ้าก้อนเนื้อแต่บอลปวดท้องอย่างหนักก็รูดมันก็รูดซื่อๆื่อมันไม่มีตัวเป็นตนเป็นผู้ปวดมันซื่อชื่อมานานแล้วสี่สิบกว่าปีมันซื่อชื่อมานานแล้วมันมีค่าอะไรไหมปวดท้องก้อนเนื้อแต่บอลหมอฉัย เอ็กซเรยที่จีมิเกียนนะ่ะก็เนื้อตะ บ, บอนแล้วหมอที่สําเร็จการผ่าตัดที่จุฬามายืนเข้าแถวเนี่ยหลวงพ่อผมเป็นแพทย์ผ่าตัดจบรุ่นเดียวกันพวกผมเตรียมพร้อมก็จะต้องผ่าตัดโอฟีมเอ็กซเลว่าให้ดูเห็นก้อนเนื้อเขาชี้บอกมันอยู่เลยตะ บ, บอลอ๋อก็ลู่ชื่อๆน่ะไปสุขไปทุกข์เหรือตรวจไม่มีโรคดีใจตัวตรวจมีโรคเสียใจ บางทีพอหมอบอกก็เสียใจละหมอก็เลยมียาของแพทย์ไม่ต้องบอกว่าเลยไม่ชื่อๆซะเพราะถ้าผู้บอกผู้ถูกบอกก็ไม่มีตัวชื่อๆมันก็เป็นทุกขเป็นทุกข์กลัวๆก่าๆมันก็ลงโทษตัวเราไปแต่เรามาลู่เจือๆ อ, อ้าจะเป็นไงก็รู่แล้วว่าโลกคือบูชาต์เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเกิดเจจะตายไม่ใช่เรา มันเกิดเฉยๆมันแก่เฉยๆมันเจ็บเฉยๆมันตายเฉยๆมันก็เป็นสัจธรรมของชีวิตของสัมปสัตว์เราไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้เราโมลู่ซื่อเข้าไปไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่แสดงถึงความเจ็บไม่ให้เราร่วมมันถ้าเราให้ค่ามันมากก็เป็นค่าบ้างเจ็บก็ตัวเราเจ็บแก่ก็ตัวเราแก่ตายก็คือเราตายในวานก็ร้องไห้เสียใจ บรรดาประวัติก็ใส่อารมณ์เข้าไปคนฟังลูกเต่า ร, ร้านก็พ่อยตามเสียใหญ่ร้องไห้กันหลายอย่างที่สร้างให้เกิดความร่มน้อมอไปหลงผิด อ, อู้มันก็มีกําลังใจขนาเออพ่อเราตายแม่เราตายเรายัางอยู่เลยต้องรับลังวนตระกูลเรายัางไม่ตายชีวิตของเรามาจากพ่อจากแม่ต้องมีกําลังเข้มแข็งบุกทั้งอะไรไปทําความดีเลยไปและความชั่วเลยไป ก็เลยบอกว่าเออชีวิตของเรานี่เมื่อเรามีพระสงฆองค์เจ้าที่น้องญาติโยมมาจากทุกทิศมาส่งถึงเชิงตะกอนพอจุดไฟเผาเขาก็กลับไปเหลือแต่อะไรจะพาไปคือบุญกับบาปถ้าคนทํามีบุญควรรู้จื่อบุญพาไปเป็นสุขติถ้ามีบาปไม่ซื่อชือก็บาปพาไปเป็นทุกขติเป็นของส่วนตัวแล้ววะเนี่ยสองคนพาไปคือ ความไปรู้ซื่อๆความเป็นพบพบเฉชาติก็พาไปไม่ใช่ยังไม่ตายก็ไปแล้วนั่งอยู่นี่ก็ไปแล้วไปอะไรไปสุขไปทุกข์ไปชอบไปไม่ชอบหลอยภบหลายชาติแล้วเกิดเกิดดับเกิดดับนัยการในใจเราเนี่ยเราจะมาให้มันชินพบชิ้นชาติซะกลัวไหมชิ้นพบชิ้นชาติคือชิ้นอย่างไงคือไม่มีค่าเป็นชีวิตลวนล้วน ไม่ให้เป็นโทษต่อเราเองไม่เป็นโทษต่อคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นมันก็เป็นผลประโยชน์กระทบไปแต่ทางที่ดีไปเดี๋ยวนี้เรากระทบตัวเองก็เป็นกระทบคนอื่นเราหลงก็ไปทําคนอื่นให้หลงเราทุกข์ก็เป็นทําคนอื่นให้ทุกข์เราเป็นคนชั่วก็เป็นทําคนอื่นให้เป็นคนชั่วเื่อว่านี่คณะเสี่ยงแวดล้อมจินลปินทั้งหลายนักเขียนเข้ามาเผยแพร่ภาพโลก ให้คนได้รู้ว่าลูกมันเป็นทางอะไรความร้อนเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใดพ่นนาฝนใรรมชาติแห้งแล้งหรือท่วมไปเพราะเหตุใดพวกศิลปินได้ก็มาสํารวจสิ่งที่มันพาให้เกิดความร้อ น, ค ว, อนความแห้งแล้งมันเกิดจากอะไรไม่ใช่การพูดกันมาเขียนเป็นภาพเดี๋ยวนี้ที่นี่ก็ก็ทํากิจกรรมเรื่องนี้เราไม่เคยตัดต้นไม้จากต้นเราก็ลําบากเราไม่เคยเป็นงอนชั่ว เราก็ลำบากก็เดินชั่วมากแต่เราไม่ทำชั่วคนเดียวมันไม่เพียงพอจึงมาช่วยกันพระพุทธเจ้าว่าพระุทธเจ้าลูด้ดีลู้ชอบด้วยพงเองแล้วสอนก็เดืห้รู้ตามถ้าไม่สอนก็เป็นปจจิ ก, กพุทธชูญเต่าไปเลยมีมากมายปจจกกพุทธะอันนี้พระพุทธเจ้าสมมาสมบูตสอนก็เดืนดรู้ตามเรียกว่าสมมาสมบูติ ถ้าใครยังไม่สอนไม่บอกคนนื่นให้รู้ตามเรียกว่าพุทธะเฉยๆมีมากท่านเราจึงอดไม่ได้ต้องมาชวนกันมาตั้งสถานที่ขึ้นมาพอมีสัพยะมีเจนาอาสาะสัพยะเพื่อการนี้มีอาหารสัพยะเพื่อการนี้มีบุคคลสัพยะบุคลากรในวัดเพื่อการนี้มีธรรมมาสัพยาเพื่อให้คนมารู้เรื่องนี้สัพยะสี่อย่างแน่ คิดว่าเพียงพอต่อทีน่นี่พอใช่ได้หลวงพ่อก็นั่งพูดอยู่นี่าอาจารย์ได้ก็พาสอนพาทำไม่ใช่เราบอกเท่งแบบรับผิดชอบอาจารย์เพื่อพาเราทำก็เหมือนกับแม่ไก่กกไข่ถ้าไม่กกมันไม่ออกลูกเหมือนตีเหล็กถ้าไม่ร่อนมันตีไม่ได้ต้องเผาให้มันร้อนจึงตีได้แม่ไก่ถ้าไม่กกไข่มันก็ไม่ออกลูกมันเน่าไปกรามฐานแม่ไก่ สามารถที่หลายลูกผู้แ ร, รอธิการต่างๆาา เ, านะเจ้าอธิการเสนาสนะเจ้าอธิการอาหารเจ้าอธิการขังแล้วก็มีขังมีสนานักงานมีของใช้จ่ายถ้าใครมาก็มารับที่นั่นไม่ต้องแกล้งใครไม่ต้องบอกใครเป็นของเราบ้านเราที่ของเราจะอยู่จี่วันจี่เดือนก็มาไม่มีใครยุ่งยากเพราะเราเพราะหัวใจของเราเนยให้อยากให้เป็นอย่างนี้ในประเทศไทย หายโลคก็ใช่นี่แต่มันมีความคิดอย่างนี้ก็ยากๆจนๆอยู่เนี่แต่ว่าความคืดนี่ตั้งมาแล้วสี่สิบปีก็ใช่นี่เร ข, ขออยู่กันได้แล้วก็ไม่ชอบเลี่ออยมยรลยบชอบว่าไปแลกอะชอบธรรมดาธรรมดาอาจารย์ต้มกาวทาสี ด, ำ ด, ำดําๆ้็นั่งอย่างนี้ไม่ปูผมไม่ปูอะไรผมผืนหนึ่งร้อยมื่น 100, บาทไม่ต้องมาปูกระดานพื้นกระดานพื้นศอกดังไนหะ้าสิบสี่บาท มันดีกว่าผมครับผมมันเป็นมวลภาพวะมีขี้ฝุ่นเมื่อมีผมเราก็ต้องซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาอกีกมีไฟฟ้าอกีกอันนี้พวกเราก็ะหอกันถูกันพระท่านก็ถูกันพวกเราก็ถูกันก็าจาดเลย